ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมคูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นขอน้อมน้อมด้วยเสียงก้าวขอน้อมน้อมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดไปดีแล้วขอน้อมน้อมแด่พระสงมูไอย์ขวักา่าพระเทรานุเถ ร, ระอาหลวงพ่อกรมทาวโรผู้เป็นประธานอ่าขอเพื่อนสาธมิก ข้ออกาสเพื่อนสัตตมิกแล้วก็ขอเจริญในธรรมแก่แม่ชีอุบาสกอุบาสิกาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านในะโอกาสนี้ขอท่านทั้งหลายวางมือลงเนา ะ, ะวางมือลงฟังธรรมะสบายสบายอตอนเช้าก็ถือว่าเป็นทุกๆวันนะครับทุกๆวันในตอนเช้าก็จะเวียนพระก็จะเวียนกัน เทศก็ว่าได้เนาะหรือว่าบรรยายนทำก็ว่าได้แต่สําหรับส่วนผมก็ถือว่าบรรยายนทำก็แล้วกันเพราะผมก็ยังเด็กด้วยอยังเด็กแล้วก็ยังเป็นผู้ใหม่เนาะก็ออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับเห็นมาบ่อยๆนี่พูดสองสามครั้งแล้วนี่ออกตัวไว้ก่อนนะผมไม่ใช่ผ่านักเทศนะครับไม่ใช่ผ่านักเทศอะไรนะครับเป็นผ้ากระเปาะกระแป๊กธรรมดานะครับที่เข้ามาอยู่ร่วมกับวัดป่าสุกต พอคงท่านคงจะมองตรงนั้นตรงนี้บ้างนะก็เลยให้ผมจับใหม่พูดลองดูว่ามันจะพอไปได้ไหมก็พอลองลองฟังดูนะครับว่าเป็นไปได้ไหมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันโกลเนาะวันโกนสําหรับวัดเราวันโกลนี่ก็ก็มีการทํากิจกรรมร่วมกันก็ถือว่าให้พระเจ้าพระสงฆ์หรือว่าแม่ชีหรือว่าอุปาสกเบสิการนี่ได้ช่วยกัน ได้ช่วยกันบําเพ็ญบารมีบําเพ็ญบารมีของพวกเรานี่ให้มันเพิ่มเพิ่มขึ้นไปแล้วก็เป็นการสมัครสมานสมาชิร่วมมือกันสําหรับพระเจ้าพระสงฆ์แต่ที่เห็นพระเจ้าพระสงฆ์นี่หายหายไปไม่ใช่อะไรก็คือท่านเข้าไปเก็บอารมณ์เห็นบอกว่ามีสี่รูปเนาะเก็บอารมณ์วันนี้ก็จะได้ออกมาช่วยกันทํากิจกรรมคือวันกรรมกรของอทางวัดป่าสุกตของพวกเรา แล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันพระวันพระใหญ่เขบอกว่าขึ้น10ค่ำเนาะขึ้นไอ้สิบหาค่ำเดือน10เดือน10บนี่เป็นเดือนที่พิเศษอย่างหนึ่งนะครับสำหรับทางอีสานแต่ไม่รู้ว่าทางกรุงเทพหรือว่าไทยเนาะคนไทยนี่แต่คนอีสานนี่เขาเขามีวันวันศาสตร์นะครับ แต่ก็น่าจะมีเหมือนกันเนาะเขาเป็นห็นบอกว่ามีศาสตร์ไทยศาสรจีนแล้วก็ศาสตร์ลาวเนาะวันศาสตร์วันศานสตร์นี่มาอย่างไงก็คือเขาจะทำทำบุญอุทิศนะครับทำบุญอุทิศให้แก่ญาติพี่น้องอาญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงรับไปแล้วผมในออกบินทบาทตอนเ ช, เช้าเนี่ยทามาไฟหวานประจากับอาจารย์ออเนี่ยก็ไปประจา แต่แม่ผู้ใหญ่เนาะแม่ผู้ใหญ่ถ้ามาไฟหานเนี่ยจะเปิดะจะเปิดอมอลําเป็นมอลานะครับลําอยู่ตอนนั้นแหละลําลําลําแต่ถ้าคนคนไทยอาจจะไม่รู้เพราะมันเป็นอีสานเพราะมันเป็นลําของอีสานแต่ใจความข้างในแต่ใจความข้างในของอของมอลำนะเขาบอกว่าก็คือแม่ที่ตายไปแล้วแม่ที่ตายไปแล้วก็คือ ตกอ า, อาจจะเป็นตกนรกหมกไหมหรือว่าอาจจะอยู่ชั้นไหนก็ช่งางวันนี้นะวันคือวันพรุ่งนี้นะเดือนสิบเนะ่ะเขาจะส่งมานะครับพวกยมบาลพวกมัจจุราชเนะี่ยจะส่งมาจะส่งมาให้มารับส่วนบุญคือลูกหลานในอุทิศให้ลูกหลานในอุทิศให้แต่พอคนอแม่คนนี้เนะี่ยมานะมาลูกหลานนะ่ไม่ได้สนใจนะครับ ลูกเต้าเหล่าหล้านนี่ไม่ได้สนใจเลยไม่ได้สนใจในในอในบุญไม่ได้อยากทําบุญเลยลูกหลานนี่ยไปกินเหล้ากินเหล้าเมายาประมาทมากนะครับไม่ได้สนใจพอแม่พอแม่มาถึงปึ๊บแม่ดูคนอื่นนะครับคน น, นน ค, นนนคนนั้นก็ได้กินคนนี้ก็ได้กินคนนั้นก็ได้กินมองไปดูเต็มวันนะครับเขาปล่อยมาผีพวกนี้เนาะเขาปล่อยผีมาเนี่ยได้กินกันหมด แต่มีอยู่คนนี้เนี่ยไม่ได้กินนะครับรออยู่นั่นและรอว่าลูกจะมาไหมลูกจะมาไหมรออยู่นั่นแหละครับแต่สุดท้ายนะครับหมดเวลาอหมดเวลายมพ a า a ก็เรียกนะบอกว่าเอ้ยมาได้แล้วพวกเประสูรกายทั้งหลายกลับไปได้กลับไปได้แล้วบอกว่าคนนี้ขอนะคนนี้บอกโอ้ยอย่าเพิ่งเรียกกลับไปเล ย, เยฉันนะหนูนี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยบอกว่า กินไม่กินก็ช่างตอนนี้หมดเวลาแล้วเขาก็ดึงไปนะครับพวกนี้ยมปพบาลนี่เขาตรงตรงมากยมปพบาลนี่ไม่ติดสิ้นบนนะไม่ใช่เหมือนเหมือนโลกมนุษย์นะโลกมนุษย์เนี่ยติดติดสิ้นบนอยู่เลยเอาสอนตายโตติดสิ้นบนแต่ยมพยบาลไม่ติดสิ้นบนนะครับคือหมดเวลาวันไหนก็วันนั้นนะครับถ้าอาจจะพรุ่งนี้ผมเนี่ยอาจจะตายนี่ก็คือติดสิ้นบนยมพบาลไม่ได้นะครับก็ต้องตายก็ต้องเขาก็ดึงไปอยู่ดีนะครับพวกนี้ติดสิ้นไม่ได้นี่ก็เช่นกัน เขาก็ดึงไปเลยครับ่าดึงไปปุ๊บก็เลยมาร้องเพลงฝากไว้เนี่ยอย่างงี้แหละร้องเพลงฝากไว้ว่าถ้าถ้าขา้ขาเจ้าถ้าข้าพเจ้าได้เกิดเป็นคนอีกเนะี่ยข้าพเจ้าจะรีบเร่งรีบเร่งขวัญขวายในการทําบุญข้าพเจ้าจะไม่รอรอลูกเลยเพราะมีแต่คนโง่เท่านั้นนะครับที่รอลูกทําบุญให้เพราะบางทีนะครับบางทีทําบุญไปแล้วอาจจะไม่ได้รับก็ได้ บางทีลูกมอดแต่เล่นการปพนนั้นเล่นอะไรตอนอย่างนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ทําบุญไปให้เราก็ไม่มีอยู่มีกินเพราะว่าสัตว์นรกนะครับสัตว์นรกที่ตายไปแล้วไม่มีการค้าการขายไม่มีการทําไร่ไถนาใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแต่สเสวยผลกรรมเท่านั้นนะครับมีแต่สเสวยผลกรรมเท่านั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งอของหลวงพ่ออจันลันวัดอัมพรวันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับท่านกล่าวไว้ว่า คนนึงนะครับไม่ได้ตายนะครับเขาไม่ได้ตายแต่มันมันแวบไปนะครับมันแวบไปเขาเอาไปผิดนะครับพูดอย่างงี้ก็แล้วกันคือเขามาเอาผมสมมุติว่าผมนะเขามาเาผมไปผิดพึบอย่างนี้นะเอาไปผิดตัวเอาไปเขาก็พาไปดูนะครับพาไปดูตรงนั้นตรงนี้ไปดูนรกนะครับนะไปดูตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ชี้นะครับแล้วก็ชี้ไปบอกว่านั่นไงเจ้าหิวไหมนั่นไงเมียของเจ้าทําบุญไว้เยอะเลยอ่าเจ้าไปกินเถอะอย่างนี้นะครับ พอคนนี้เนะี่ยหิวมากมันก็ไปรู้สึกก็นานมัน้งไปแล้วก็หิวหิวมากหิวมากแล้วคนเนี่ยไอ้ผัวเนี่ยก็ไปหยิบกินของเมียนะครับพอหยิบแค่นั้นแหะครับมันร้อนเป็นหมดเลยอยอพอจะกินก็กินไม่ได้ครับร้อนอ่านี่แหละยมไอ้คนที่พาไปนะครับพวกมัจจุราชที่พาไปเขาชี้เห็นเลยบอกว่านี่เจ้าไม่เคยทําบุญนี่คือของเมียของเจ้านี่เจ้าไม่ได้กินอยู่แล้วเพราะเมื่อครั้ง เขาเป็นคนนะครับเมื่อครั้งเขาเป็นคนนี่เขาไม่ได้อนุโมทนากับเมียเลยเมียไม่ทําบุญเนี่ยเมียไปทําบุญปุ๊บเนี่ยตอนเช้าๆตักบาตรตอนเช้าหรือว่าไปวัดไปวายอย่างนี้นี่ยเขาไม่เคยอนุโมทนากับเมียเลยนะครับแต่ถ้าเขาอนุโมทนาส่วนนั้นเขากินได้เพราะเงินนี่หามาด้วยกันนี่เขาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเลยอย่างงี้เนี่ยครับเขาก็บอกบอกเมียเขาบอกว่อย่าไปเลยเรามีมอยู่มีกินเต็มไปหมดเลยนี่ ไม่จำเป็นต้องไปทำบุญให้ชาติหน้าเพราะชาตินี้เรามีอยู่มีกินอยู่แล้วไม่ต้องทำบุญกินเนี่ยกินของเดือนก็ยังไม่หมดอ่าอันนี้ประมาทมากครับแล้วก็บอกเมียอย่างนี้มาตลอดตลอดตลอดพอตอนนี้นะครับทอไปไอ้เมืองนรกนะครับแต่ไปกินของเมียก็ไม่ได้ร้องโอ้ยโอ้ ย, อ ย, อยกินไม่ได้นะระวังไว้ดีนะครับพวกเราจะไปขัดขัดคนเขาไปขัดคนที่เขาจะไปทาบุญอย่างนี้นะ อบอกว่าโอ้ยไม่ได้กินแน่ครับพวกนี้เนี่ยไม่ได้กินแน่แล้วก็พาไปตรงนั้นตรงนี้พาไปตรงนี้ตรงนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปชี้ให้เห็นอีกตรงตรงที่หนึ่งที่หนึ่งฝนตกครับตอนนี้นะฝนตกฝนตกในเมืองนรกนะแต่มันคนนั้นคนนี้เขาก็วิ่งเข้าบ้านเขาเนาะเขาก็วิ่งเข้าบ้านเขาเพราะเขาเคยได้ทําบุญเข<ง>บาบอกว่าพวกที่วิ่งเข้าบ้านได้นี่นเพราะเขาได้เคยได้ทําบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาอย่างนี้นะครับ ก็มีมีมีอยู่ครั้งนึงเหมือนกันนะที่ตอนเขาเป็นโยมโดนอ่โดนมกระทะยกนี่บอกว่าเอ้ยทําบุญให้น้อยอะไรประมาณนี้เขาก็เลยแบบทําบุญด้วยความโกรธนะครับเขาทําบุญแค่สังกสีแผ่นเดียวนะครับสังกสีแค่แผ่นเดียวเท่านั้นนะแต่เขามีเงินมากแต่เขาทําบุญแค่เพราะถูกบังคับก็เลยทําบุญแค่แผ่นเดียวอแผ่นเดียวเท่านั้นพอไปเมืองนรกนะพอไปเมืองนรกเขาพาไปอฝนตกนะครับ ฝนไม่ใช่เม็ดฝนธรรมดานะครับเป็นตะปูล้ำแผลงนะครับฟืบๆลงมานะครับก็เสียดเขาจุบจับจุบจับจุเขาก็เลยอ่าพวกยมพราณาเหรียญเขาก็เลยชี้ไปบอกว่านั่นไงบ้านของเจ้ารีบเข้าไปเร็วอย่างงี้นะครับไปก็ไปแค่สังกสีแผ่นเดียวนั่นนะครับสังกสีแผ่นเดียวนั้นไมนลอยแล้วก็ตกลงมาถ้านหลบไปข้างหลบไปข้างหน้าไม่ถูกข้างหน้าข้างหลังก็ถูกแค่แม่ละแค่สังกสีแผ่นเดียวหลบมาข้างหน้าข้างหลังก็ถูกถ้ามันโดนข้างหลังก็ข้างหน้าก็ถูกอย่างงี้นะครับอนั่นแหละ เขาก็เลยบอกว่าเจ้าได้ทำบุญแค่แค่ครั้งเดียวบอกว่าตอนนี้ก็สัญญานะสัญญากับยมพบานสัญญากับยมพบานบอกว่าถ้าข้าพเจ้ากลับไปได้เนี่ยข้าพเจ้าขอสร้างวัดคนเดียวขอสร้างวัดคนเดียวเลยตอนนี้นะยมพบานนะเ้าบอกว่าเออเจ้าได้พูดแล้วนะเดี๋ยวข้าจะส่งเจ้ากลับไปถ้าเจ้าไม่ทำตามเจ้าตายนะบ้านแตกสลขาดทั้งหมดนะครับครับครับรับปากเขามาแล้วนะ พอรับปากเข้ามาแล้วปึ๊บนี่อ่าทางบ้านทางบ้านนี่นะนึกว่าผัวตายแล้วอ่ทางบ้านนี้นึกว่าผัวตายแล้วไปเจดวันแล้วตอนนี้ยมพาชนะเขาส่งกลับมานะครับอไปแป๊บเดียวนะครับแต่เขาส่งกลับมามานอนอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับตอนนี้พอนึกขึ้นได้นะพอนึกขึ้นได้ก็รีบเลยครับนันนี้รีบจะไปทําบุญไปที่ไหนที่ไหนนะครับสมมติว่ า, าวัดป่าสุกโตอย่างนี้นะ ก็จะมาขอสร้างวัดคนเดียวได้ไหมมันก็ไม่ได้พ่อสร้างอยู่แล้วไง อ, อไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นไม่ได้สร้างเลยครับ อ, อแล้วก็ไปขอหลวงพ่อจารันบอกว่าไปอยู่วัดใหม่ให้ได้ไหมผมจะซื้อที่สร้างเองแล้วก็ให้ท่านสร้างเนี่ยเฮ้ย อ, อย่าไปสร้างเลยหลวงพ่อจารันบอกอย่างนี้นะมาสร้างโบสถ์กับผมนี่มาสร้างโบสถ์กับอตาตมานี่อตาตมาตอนนี้กําลังสร้างโบสถ์อยูออ่ไม่เอาไม่เอ า, เ, อาเพราะว่าผมนี่รับปากเข้ามาแล้วบอกว่าจะสร้างวัดคนเดียว มัวแต่หาที่นะครับหมัวแต่หาที่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ตายไปซะก่อนครับตายไปซะก่อนบ้านแตกสลายขาดนะครับ<ๆ>พวกเงินที่หาได้หมดไปหมดเลยครับบ้านแตสแกสลายเขาตรงต่อเขาตรงต่อไอ้เวลามากแล้วก็พวกนี้นะถ้าบอกว่ารับปากเข้ามาว่าถ้าวันนี้ก็คือวันนี้นะครับ<ๆ>เขาฉีดเส้นไปแล้วนะเออไม่มีการต่อรองใดใดทั้งสิ้นนะครับฮะแล้วก็อจะพูดถึงเนาะจะพูดถึงอ่ะ ที่ที่พระบอกว่าะยะถาวาริวหาปุราปริโพเดนตินี่มันก็ก็มีเหตุเหมือนกันนะครับมันก็มีเหตุเหมือนกันมีเศรษฐีคนหนึ่งนะครับมีเศรษฐีคนหนึ่งได้ทําบุญลูกชายตายนะครับลูกชายตายได้ทําบุญทําบุญตลอดนะครับทําบุญตลอด3มปีทําบุญตลอด3มปีเขาเอาอาหารที่ดีๆไปนะครับไปให้ลูกนะไปวางที่หน้าศพนะ เพราะอาจจะเป็นคนจีนหรืมั้งหรือว่าเป็นคนาพามหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกว่าคนตายแล้วเขาไปกบไว้ไปสร้างสุสานไว้แล้วก็ไปเอาอาหารไปให้ทุกวนันทุกวันนะครับอยู่ในป่าเนาะอาหารให้ทุกวนันทุกวนันแต่ตอนนี้นะครับมีอยู่วันหนึ่งเศรษฐีก็ไอคนที่ไปส่งข้าวนะไปส่งข้าวไปส่งทุกวนันทุกวนันทุกวันนะครับมีอยู่วันหนึง่งน้ามันท่วมนะครับน้ํามันท่วมป่าน้ำมันท่วมป่า แล้วก็คนใช้นี่ไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ก็มองซ้ายมองขวาจะเอายังไงดีเราข้ามไปฝั่งนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าลูกชายของเศรษฐีอยู่ฝั่งนั้นลูกชายของเศรษฐีอยู่ฝั่งนั้นแต่เอ๊ะมันไปไม่ได้ถ้าจะไปก็ตายน้ำพัดตายแน่มองซ้ายมองขวาแต่ถ้าจะกินเองนี่ก็ว่าคงผีนะครับกินนีงก็ไม่ได้น่าว่าคงผีมองซ้ายไปมองขวาไปพอดีพระเอิญ น, นะครับมีพระ มีพระออกมาบินธบาตพอดีนะก็เลยเอ้ากินก็ไม่ได้จเจ้าไปให้ก็ไม่ได้ให้พระดีกว่านะก็เลยใส่ให้พระนะครับใส่ให้พระพระก็าามาบินธบาตหนาวสันองอ่งมือนกันนะหนาวอะไรครับฝนก็ตกน้ากําก็ท่วมทุ่งนะครับก็เลยใส่ให้พระพระก็เลยให้ให้เป็นให้เป็นยัตฐานของพวกเราเนี่ยครับยัตาวารีวหา ป, ร ป, รปรรูราปาดโปเดนตินะครับสาคาลังนะครับห่วงน้ําที่เต็มนะครับ ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชันใดท่านชี้ไปที่น้ํานะครับท่านชี้ไปที่น้ําไม่ได้กวดน้ําอะไรนะครับท่านชี้ไปที่น้ําบอกว่าน้ําที่เต็มย่อมอย่างสมะมาสมุทรให้บริบูรณ์ได้ชันใดทานของท่านที่ทําบุญในวันนี้เนะี่ยย่อมสําเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วฉันนั้นพระก็พูดอย่างนี้นะครับแต่พระพระไม่ได้แปลในประเทศอินเดียในพระไม่ได้แปลนะครับพูดกันเป็นบาลีนี้ก็รู้จักกันแล้ว แล้วมาอ่าคนใช้นะครับมาปุ๊บมาถึงบ้านก็าไม่ได้สนใจอะไรครับก็นอนอนอนนอนไปเลยทำงานเสร็จปุ๊บก็นอนตอนเย็นก็นอนอตอนนั้นแหะครับเศรษฐีนอนไปฝันนะครับฝันฝันบอกว่าพ่อเอ้ยลูกชายมาหานะครับตอนนี้นะพ่อเอ้ยแม่เอ้ยเราก็มีเงินมีเงินมากอยู่แล้วนะถึงขนาด80ดสิบโกดนะครับ แปโกดทุกวันนี้ถ้าแปดสิบโกดก็แปลเป็นช่วงช่วงนี้ก็คือแปดร้อยล้านนะครับแปลเป็นพวกเราก็คือแปดร้อยล้านพ่อแม่เอ้ยไอ้ได้ทําไอ้มีเงินตั้งเยอะตั้งแย่นนิทําไมไม่ทําบุญให้กับผมบ้างอ่าทําบุญไม่ให้กับผมบ้างเพราะผมนี่ยอดหิวมาตั้งสามปีแล้วเนี่ยผมตายสามปีพ่อแม่ไม่เคยทําบุญให้เลยอย่างเงี้นะครับอแต่พอตื่นตอนเช้ามาแค่นั้นละ่ะถามเลยครับ บอกว่าถามอาถามคนใช้นะบอกว่าเฮ้ยสามปีกูให้มึงไปทําบุญเนี่ยมึงเอาไปไหนมึงกินเองเหรอบอกเฮ้ย e ผมไม่ได้กินเองครับผมไม่ได้กินเองผมเอาไปให้ทุกวันมึงอย่ามากโกหกอย่างนี้นะครับเอเสียทีก็เข้นอย่างใหญ่เลยครับมึงอย่ามากโกหกบอกว่าแต่คนคนรับใจ บ, บอกว่าผมไม่ได้โกหกเลยครับผมเอาไปให้ทุกวันที่หน้าที่หน้าศพนะผมเอาให้ทุกวันทุกวันผมก็ไบอก อาหารดีๆผมเพื่บอกเอาไปให้ทุกวันวางให้ทุกวันแต่ว่าไม่ได้กินไม่ได้กินแล้วเมื่อวานมึงทำยังไงเมื่อวานเนี่ยมึงทำยังไงก็พอดีมีพระมาออกมิทธะบาตนะหัวล้นๆนะมาออกมิทธะบาดผมก็จะไปจะไปก็ไม่ได้กลัวตายอะจะกินเองก็ว่าของผีผมก็เลยเอาใส่บาตรให้พระพระก็บอกว่าอย่างนี้แหละยะาวริวาหาอย่างงี้แหละ พอนั้นแหะครับแค่นั้นแหะเศรษฐีนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้สามปีนี่ทาบุญเสียเปล่าเลยครับเสียเปล่ามากก็คือว่าโอ้สามปีนี่เราไม่ได้ให้ลูกเรากินเลยก็เลยเปลี่ยนใหม่แล้วตอนนี้ครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เลยบอกว่าเฮ้ยเอาถ้า ง, งั้นไปทําบุญกับพระดีกว่าะทําบุญกับพระก็เลยได้อยู่ได้กินมาเรื่อยๆเรื่อยๆพอกินอิ่มน้ําสํล้านนะครับมาเข้าฝันแล้วตอนนี้มาเข้าฝันอีก กินอิ่มน้าสําล้านมากแต่ว่าเสื้อผ้านะครับไม่มีใส่เสื้อผ้าของของเขาไม่มีใส่เลยนะก็เลยบอกว่าเอ้ยจะทํำยังไงเสื้อผ้าไม่มีใส่แต่อิ่มน้าสําล้านมากนะก็เลยไปถามพระพระก็เลยบอกว่าเอออ่าทําบุญอ่าผ้าไตจีวรก็ได้อย่างงี้นะครับผ้าไตจีวรหรือสบงก็ได้อย่างนี้นะน ก, นนะก็เลยก็เลย บ้านหลังก็ได้ไปซื้อนะครับได้ไปซื้อหรือว่าได้ไปเอาผ้าผ้าบางสุกุลนะครับไปถวายให้กับพระถวายให้กับพระแล้วก็พอวันลั้งมาอีกนะอพอวันั้งมาอีกลูกเนี่ยลูกก็มีเสื้อผ้าใส่อิ่มน้ำซ้ำา้านมากครับบ้านช่องของหงอมีหมดนะครับมีหมดเหมือนกันดีเหมือนกันได้อยู่ได้กินหมดแล้วก็บอกว่าอย่าลืมทำบุญให้กับตัวเองบ้างอย่างนี้นะครับ มีเหมือนกันอาสมาหีกร์นี่เมื่อครั้งพุทธกาลนะมีเหมือนกันข้าวไอเขาบอกว่าข้าวสาระถะบุญเดือน10เหมือนกันกับเราเนี่ยครับประเทศอินเดียก็ทำเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทาแค่ประเทศไทยนะประเทศอินเดียก็ทําเขาบอกว่าข้าวสาระถะบุญเดือนสิบนะครับเขาจะเอาอาหารนะครับอาหารดีๆไปวางกองไว้นะครับไปวางกองไว้เต็มไปหมดนะครับอ่ไปวางกองไว้เต็มไปหมด ตอนนี้ก็เขาบอกว่าจะพูดเพิ่มๆๆจะให้พ่อให้แม่ได้กินนะครับเขาไปกาวางกองไว้หมดพอเขากลับบ้านไปพระนะครับพระสมัยก่อนก็อาจจะไม่มีอยู่มีกินกันมากก็ไปกินพวกนี้แหละครับก็ไปกินอาหารพวกนี้นะไปกินอาหารพวกนี้อ้าวดูหมาก็กินได้นกก็กินได้อย่างงี้นะครับพระก็เลยไปกินเหมือนกันพระก็เลยไปกินตอนนี้ชาวบ้านเขาก็แอบดูเนาะชาวบ้านประเทศอินเดียก็แอบดูบอกว่าเอ้ย พระนี่ไปกินของของไม่ใช่ของไม่ใช่ของพานะเขาอุทิศให้ญาติของเขาพระจะไปกินไม่ได้อย่างงี้นะครับเขาก็ไปไปฟ้องนะไปฟ้องพระเจ้าประเสียนที่โกศลไปฟ้องพวกชาวบ้านนี่ไปไปไปฟ้องพระเจ้าประเสียนที่โกศลพระเจ้าประเสียนที่โกศลก็เลยไปไ ป, ไปอ่ากราบทูลให้พระพุทธเจ้าฟังอ่ากราบทูลให้พระพุทธเจ้าฟังพอกาบทูลอ่าตอนตกเย็นก็เรียกประชุมสงเลยอ่าคณะสง์บอกว่าใครไปกินข้าวสารทะ หรือว่าขาอุทิศให้แก่ญาติเขายกมือปึ๊บองค์นั้นก็กินองค์นี้ก็กินองค์นั้นก็กินอ้าวไปไปมากินกันหมดครับอกินกันหมดอ้าวทาไมไปกินของเขาอย่างงั้นก็เลยมีตัดเป็นอาบัตนะครับเป็นอาบัตของพระสงฆ์นะครับมีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าถ้าเขายังไม่ประเคนเนี่ยกินไม่ได้อย่างนี้นะครับล่วงผ่านคอลงไปนี่ก็คือจบเลยครับเป็นอาบัตปาจีตี ถ้าว่าเป็นอาบัตเล็กๆ ก, ก็ว่าได้แต่มันก็เป็นอาบัตนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ายังไม่รับประเคนนี่ยังกินไม่ได้อนอกสะจากน้ำเนาะน้ํากับไม้จิ้มฟันอะไรประมาณนี้อบอกว่าก็เลยมีการตัดอาบัตมาตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับบอกว่าอย่าไปกินอย่าไปกินของขอ ง, ของญาติอุทิศไปไปให้เนี่ยเขาอุทิศไปให้ผีเนี่ยอย่าไปกินอแล้วถ้าไปกินใครพี่พิผู้รูปใดไปกินเนี่ยเขาเป็นอาบัต มันก็มีอาบัตตตั้งแต่ตอ น, ตอนโน้ น, นมาเลยนะครับแล้วพระภิสุท์ทั้งหลายก็เลยถามบอกว่าการที่เขาเอาไปวางไว้อย่างนั้นน่ะอ่าเขาจะได้กินไหมพระพุทธเจ้าข่าบอกว่าพระพุทธเจ้าก็เลยว่าอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตตาสคาจะเมเปตานังทกินังทับชาบุเพกะตะนี่นะครับก็คือกวดน้ําดีๆนะครับกวดน้ําดีๆก็คืออาทาสิเมนะครับ บอกว่าญาติของเขาเป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นญาติของเขาเศร้าโศกอยู่อย่างไรรับทุกขเวทนาอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะครับเขาไม่เข้าเข้าใจอะไรเลยนะครับเพราะว่าศาสนาศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาเกิดท่ามกลางศาสนาพราหมณ์ที่เจริญแล้วนะครับพวกพราหมณ์นี่ไปสอนสอนเงินผิดหมดหม่ แล้วก็พระพุทธเจ้านี้มาสอนใหม่นะครับมาสอนใหม่ก็เลยพระสงฆ์ก็เลยไปอย่างนี้นะครับไปว่าอาทาสิเมอากาสิเมหรือว่าอาันเจโคตกินาทินานี่นะครับเพราะว่ามาทำมาทํากับพระเจ้าพระสงฆ์นี่มันเป็นบุญใหญ่แล้วก็ทรงแล้วก็สรงไปให้ญาติพี่น้องนะครับพระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่พระสงฆ์มามาเทศมาสอนแล้วก็อยากจะให้พระสงฆ์กินเองไม่ใช่นะครับไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่ามาอย่างนั้นนะครับ ก็คือจะให้คนได้เข้าใจได้ก็คือเป็นการเปรียบนะครับเป็นการเปรียบเป็นการเปรียบสองอย่างก็คือเหมือนกับญาติพี่น้องของท่านตายไปนะครับเปรียบเหมือนกับญาติพี่น้องของท่านนี่ไป interior, ไปเมืองนอกไปเมืองนอกท่านอยู่เมืองไทยนี่ท่านจะไม่รู้เลยนะครับว่าเมืองนอกเขาทำยังไงนี่ก็เหมือนกันคนที่ตายไปแล้วก็เปรียบเส ม, มือนเมืองนอกแต่คนที่อยู่เมืองนอกก็คือคนที่ตายไปแล้วนี่จะรู้ทั้งหมดนะครับจะรู้ทั้งหมดว่าบ้านของเราทําอะไรอยู่ อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นลูกของเราจะไปโรงเรียนอย่างนี้นก็รู้พวกที่ตายไปแล้วรู้หมดนะครับรู้ความเป็นเป็นไปเป็นมาของบ้านดีเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าเมียนะครับเมียจะเลืลึก ถ, ถึงก็ได้แค่หน้าเท่านั้นนะครับหน้าแค่หน้าเท่านั้นก็เลยมีการส่งไปรษณีก็เลยเป็นการส่งไปรษณีก็คืออุทิศผ่านพระเจ้าพระสงฆ์ไปอุทิศผ่านพระเจ้าพระสงฆ์ไปเป็นบุตรไปรษณีส่งไปให้ใช่ไหมเพราะว่าผู้ที่อยู่ เมืองนอกก็ได้รับไปสเนีหรือว่าอยากจะส่งอะไรไปให้ผัวอย่างนี้่อของดีๆอย่างนี้ส่งไปให้ผัวนี่ก็ถึงเหมือนกันก็คือผ่านบุตรไปสเนีเป็นพระก็คือพระเจ้าพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเปรียบอย่างนี้นะครับเปียบอย่างนี้เปรียบอย่างนี้ก็คืออุทิตอุทิศเราสามารถอุทิศไปมีครั้งหนึ่งเหมือนกันอุทิศเขาบอกว่ายาถาอุทิตให้แต่ๆคนตายยะถาให้ผีสับผีให้คนแต่ผมไปอยู่ที่อุดร น, นะครับพรนศาที่สองปุมพินกับตานะครับ เห็นกับตาขอยกมาก่นแล้วกันเพราะว่าแม่ทิ่ดาวพาทรับเจริญนี้ท่านตายแล้วขายกมาพูดก่อนแล้วกันแม่ทิ่ดาวพาทรับเจริญนี้ท่านเป็นคนรวยแล้วก็มามาทําบุญตอนเช้าแล้วก็อุทิศนะครับอุทิศให้แก่ลูกลูกสาวอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับตอนนั้นสหรัฐอเมริกาเป็นตอนกลางคืนแต่ของพวกเราที่เป็นตอนเช้ามันคนละซีกโลกกันนะครับนะแล้วก็อุทิตไปให้ลูกสาวเพราะมันวันนี้เป็นวันวันเกิดของลูกสาวอย่างนี้นะครับก็เลยอุทิศไป พออุทิศไปอุทิศไปยะถาวาริวะหานท่านก็อยู่ทิตไปเออวันนี้มันเกิดลูกสาวก็ให้มีส่วนบุญในแม่ที่มาทําให้ลูกนะอะไรประมาณนี้นะครับพออยู่ที่สหรัฐอเมริกาฝันนะครับตอนนี้อยู่สหรัฐอเมริกาฝันฝันว่าแม่เอาของมาให้เต็มไปหมดเลยครับเอาของมาให้มีแต่เรื่องดีๆมีอันดีๆนะครับแล้วก็สามารถบอกได้ด้วยแม่ยังไม่ได้พูดอะไรนะครับ ลูกสหรัฐอยู่ที่สหรัฐเมกาเมืองนอกนะสามารถบอกเลยว่าแม่เอาส้มตำ ม, มาให้แม่เอาอ่าปิง้งไก่อะไรลาบบัวลาบโอ้เต็มไปหมดนะครับสามารถบอกได้นั่นแล้วท่านจะว่าอุทิศไม่ให้อ่าคนเป็นได้ไหมมันอุทิศให้คนเป็นก็ได้นะครับไม่ใช่แค่ว่าอุทิศให้คนตายได้เท่านั้นนะอุทิศให้คนเป็นแต่มันมันจะเป็นมันจะเป็นคนละอย่างกันนะครับถ้าอุทิศให้คนตาย มันก็เหมือนกับเขาอยู่ในเมืองนรกเขาก็จะขึ้นขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็คืออุทิศอุทิศอุทิศเขาละอนุโมทนาเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นขึ้นมาขึ้นมาเสวยบิบากกรรมเบาบางลงเบาบางลงไปเรื่อยๆแต่ว่าสําหรับเป็นคนเขาจะเป็นหนุนนะครับจะเป็นหนุนหนุนให้เขามีการงานที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับจะมีอะไรที่ดีๆดีๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเขาจะไม่ค่อยตกต่ําอุทิศนั่นแหละครับก็คือว่าอุทิศให้ผีก็ได้อุทิศให้คนก็ได้นะครับ ต้องต้องต้องศึกษาต้องศึกษาเรื่องเรื่องไอ้บุญนี่ให้ดีๆแม้แต่บุญเนี่ยเราต้องศึกษาให้ดีๆนะครับอย่าไปว่าถึงขนาดการเจริญเมตตาภาวนาเลยนะครับก็บอกกันอยู่ว่าการเจริญเมตตาภาวนาเป็นบุญใหญ่แต่บุญบุ ญ, บ, ญบุญอันดับแรกก็คือบุญแล้วก็ศีลแล้วก็ภาวนานะครับบุญนี่ก็ต้องศึกษาศึกษาให้ดีๆเหมือนกันไม่ใช่บางครั้งทําไปแล้วจิตหดหูหจีนหดหูก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับ บางทีอาจคนจะมีศรัทธามากเขาทาบุญแค่บาทเดียวอย่างนี้เขาก็ได้บุญเยอะนะครับแต่บางคนทำทาบุญเป็นล้านอย่างนี้นะครับแต่ว่าเงินส่วนนั้นเนี่ยไปคดโกงมาไ ด, ดได้บุญนิดเดียวนะครับได้บุญนิดเดียวสมเด็จเจ้าพระคุณโตนี่ก็เคยพูดไว้นะครับบอกว่านางคนนี้เคยไปคดโกงเขามาแต่มาขอสร้างโบสถ์อย่างนี้นะครับขอสร้างโบสถ์แต่พอสร้างโบสถ์เสร็จแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเ น, นี่ยก็มาําสมเด็จเจ้าพระคุณโตบอกว่า พระพุทธเจ้าข้าข้าพระเจ้านี่ได้บุญขนาดไหนสร้างโบสถคนเดียวเนี่ยบอกว่ า, าได้บุญแค่เม็ดทรยายเท่านั้นนะครับได้บุญแค่เม็ดทรายตอน น, นางคนนี้ร้องห่มร้องไห้นะครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอสมเด็จเจ้าพระคุณโตก็เลยชีย้แจงให้เห็นบอกว่าบุญเงินที่เจ้าได้มานี่มันไม่เป็นของบริสุทธิ์นะครับเงินที่เจ้าได้มามันไม่เป็นของบริสุทธิ์ก็เลยเป็นบุญน้อย แต่ถ้าบางดีเขาทำบุญด้วยหยาดเหงือ่อแรงงานของเขาอาจจะเป็นเงินบาทเดียวแต่เขามีศรัทธานะครับนั่นเป็นบุญใหญ่เลยครับบุญใหญ่เลยเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราให้ตั้งใจเนาะทาบุญขวัขวายอุทิศอ่าก็พูดมาก็โอ้สมควรแก่เวลาเนาะมันก็รู้สึกว่าแป๊บเดียวเหมือนกันพูดไปพูดมาก็แป๊บเดียวเนาะก็ถือว่าเป็นเป็นกรฝากท้ายก็แล้วกันบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่ คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาให้พบสุขใสแม้นชีพรับดับร่วงไปบุญส่งให้เราสวัสดีสุดท้ายนี้ก็ขออํำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญมาดแม้นว่าท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสาเร็จจงพันสาเร็ จ, จ